นันตกะลิชวิสูตรว่าด้วยมหาอมาตย์ของเจ้าลิชวีชื่อนันตกะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนปะูตคารสาลาปามหาวันเคกรุงเวสาลีครั้งนั้นมหาอมาตย์ของเจ้าลิชวีชื่อนันตกะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควร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 เป็นไปเพื่อสมาธินันทะกะอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้เป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าอันหนึ่งอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการนี้ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอายุทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เป็นผู้ประกอบด้วยวันะทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ เป็นผู้ประกอบด้วยสุขทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เป็นผู้ประกอบด้วยยศทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เป็นผู้ประกอบด้วยความเป็นใหญ่ทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์นันทะกะก็เราได้ฟังสมณะหรือพราหมณ์อื่นจึงกล่าวเรื่องนั้นหาไม่ได้แต่เรารู้เองเห็นเองทราบเองจึงกล่าวเรื่องนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว บุรุษคนหนึ่งเรียกกล่าวกับมหาอมาตย์ของเจ้าลิชวีชื่อนันทกะว่าถึงเวลาอาบน้ำแล้วขอรับมหาอมาตย์ของเจ้าลิชวีชื่อนันทกะกล่าวว่านายบัดนี้เรายังไม่ต้องการอาบน้ำภายนอกต้องการอาบน้ำภายในคือความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคนันทกะลิชวิสูตรที่สิบจบสรารานิวัตที่สามจบ รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ปฐมมหานามสูตร 2. ทุติยะมหานามสูตร 3. โคทสักกสูตร 4. ปฐมสรา น, านิสักสูตร 5. ทุติยสรา น, านิสักกะสูตร 6. ปฐมอนาถะปิณฑิกะสูตร 7. ทุติยอนาถะปิณฑิกะสูตร 8. ปฐมพยาเวรุปสันตสูตรเก้าทุติยพยาเวรุปสันตสูตรสิบนันทกะฤชวิสูตร 4. ปุญญาพิสันทวัคหมวดว่าด้วยห่วงบุญกุศล หปฐมมะุญญาพิสันทสูตรว่าด้วยห่วงบุญกุศลสูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายห่วงบุญกุศลสี่ประการนี้นำสุขมาให้ห่วงบุญกุศลสี่ประการอะไรบ้างคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้หนึ่งประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า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 นี้เป็นห่วงบุญกุศลนำสุขมาให้ประการที่สองสประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีและถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกนี้เป็นห่วงบุญกุศลนำสุขมาให้ประการที่ส 4. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยชอบใจไม่ขาดและถึงเป็นไปเพื่อสมาธิ นี้เป็นห่วงบุญกุศลนำสุขมาให้ประการที่สภิกษุทั้งหลายห่วงบุญกุศลนำสุขมาให้4ประการนี้ปฐมมะปุญญาพิสันทสูตรที่หนึ่งจบ2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 มีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการให้ทานและการแจกทานอยู่ครองเรือนนี้เป็นห่วงบุญกุศลนำสุขมาให้ประการที่สภิกษุทั้งหลายห่วงบุญกุศลนำสุขมาให้สี่ประการนี้ทุติยปุญญาพิสันทสูตรที่สองจบ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 ธมมะเทวะปะสูตรว่าด้วยเทวบทสูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเทวบทข้อปฏิบัติของเทพของเทพทั้งหลายสี่ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่บริสุทธิ์เพื่อความพองแผ่ของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่พองแผ่เทวบทสี่ประการอะไรบ้าง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 เพื่อความผ่องแผ้วของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ผ่องแผ้วประการที่หนึ่ ง, งประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวนไหวในพระธรรมและถึง 3. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวนไหวในพระสงฆ์ 4. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดและถึงเป็นไปเพื่อสมาธินี้เป็นเทวบทของเทพทั้งหลาย ย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่บริสุทธิ์เพื่อความผ่องแผ้วของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ผ่องแผ้วประการที่4ภิกษุทั้งหลายเทวบทของเทพทั้งหลาย4ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่บริสุทธิ์เพื่อความผ่องแผ้วของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ผ่องแผ้วปฐมเทวปะทะสูตรที่4จบ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 แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคอาริยสาวกนั้นพิจารณาดังนี้ว่าอะไรหนอเป็นเทวบทของเทพทั้งหลายเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราได้ยินในบัตรนี้ว่าเทพทั้งหลายมีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งเราก็มิได้เบียดเบียนใครใคร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 สประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดละถึงเป็นไปเพื่อสมาธิอริยสาวกนั้นพิจารณาดังนี้ว่าอะไรหนอเป็นเทวบทของเทพทั้งหลายเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราได้ยินในบัตรนี้ว่าเทพทั้งหลายมีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งเราก็มิได้เบียดเบียนใครๆไม่ว่าผู้สะดุ้งหรือมั่นคงเราเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมคือ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 ทุติยเทวปะทะสูตที่หจบ 6. เทวสภาคสูตรว่าด้วยผู้มีธรรมมาสู่เทวสภาภิกษุทั้งหลาย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 จุติจากภพนี้แล้วไปเกิดในภพนั้นคิดว่าพวกเราประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจเช่นใดจุติจากภพนั้นแล้วมาเกิดในที่นี้แม่อริยสาวกผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจเช่นนั้น mm. ก็ไปเกิดในสํานักของเทพทั้งหลายได้รับคําเชื้อเชิญว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายเทพทั้งหลายปลื้มใจกล่าวถึงบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการนี้ ซึ่งมาในที่ประชุมของเทพเทวสภาคสูตรที่หจบเจ็ดมหานามสูตรว่าด้วยเจ้าสักยะพระนามว่ามหานาม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 พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาปพิธบุคคลถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถึงพระธรรมเป็นสารณะและถึงพระสงฆ์เป็นสารณะด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลจึงชื่อว่าเป็นอุบาสกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันหนึ่งด้วยเหตุเพียงเท่าไรอุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลมหาปพิธอุบาสกเป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์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 อุบาสกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัท ธ, ธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคด้วยเหตุเพียงเท่านี้อุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัท ธ, ธาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันหนึ่งด้วยเหตุเพียงเท่าไร อุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะมหาประพิธอุบาสกในธรรมวินัยนี้มีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมนทินมีจาคะอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละควรเกิดการขอยินดีในการให้ทานและการแจกทานอยู่ครองเรือนด้วยเหตุเพียงเท่านี้อุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะ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 เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญามหานามสูตรที่7จดจบ 8. วัสสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยฝนตกพิจุทั้งหลายเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกบนยอดภูเขา น้ำนั้นไหลไปตามที่ลุ่มทำซอกเขาลาธารและห้วยให้เต็มซอกเขาลาธารและห้วยเต็มแล้วทำหนองให้เต็มหนองเต็มแล้วทำาบึงให้เต็มบึงเต็มแล้วทำแม่น้ำน้อยให้เต็มแม่น้ำน้อยเต็มแล้วทำแม่น้ำใหญ่ให้เต็มแม่น้ำใหญ่เต็มแล้วก็ทำมหาสมุทรให้เต็มแม้ฉันใดทำเหล่านี้ของอริยสาวก คือความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์และศีลที่พระอริยะชอบใจไหลไปถึงฝั่งแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันวสสูตรที่8จบ ากาลิโคทสูตรว่าด้วยพระนางสากิยานีพระนามว่ากาลิโคทาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิโครธารามเขโครงกรบิลพั์แคว้นสักกะครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสศพทรงถือบาทและจีวอนเสด็จเข้าไปยังนิเวศของพระนางสากิยานีพระนามว่ากาลิโคทา ประทับนั่งบนพุทธาที่ปูลาดไว้แล้วพระนางกาลิโคธาสาคิยานีเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระนางกาลิโคธาสาคิยานีดังนี้ว่าโคธาอริยสาวิกาผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่า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 อริยสาวิกาผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการนี้เป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ํามีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าพระนางกาลิโคทาสากิยานีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการนี้ที่พระองค์ทรงแสดงไว้ธรรมคือองค์เครื่องบรรลุโสดาเหล่านั้นมีอยู่ในหม่อมฉันและหม่อมฉันก็เห็นธรรมเหล่านั้น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 1. นนทึยงทาาทุกอย่างในตระกูลเป็นของไม่แบ่งแยกกับท่านผู้มีศีลมีธรรมอันงามโคทาเป็นลาภของเธอเธอได้ดีแล้วโซดาปฏิผลเธอทำให้แจ้งแล้วการิโคทาสูที่เก้าจบ นันทยะสักกะสูตรว่าด้วยเจ้าสักยะพระนามว่านันทยะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิคโครธารามเคโครกรเบลพั์แขวนสักกะครั้งนั้นเจ้าสักยะพระนามว่านันทยะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า พาแต่พระองค์ผู้เจริญพระอริยสาวกใดไม่มีองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการโดยประการทั้งปวงพระอริยสาวกนั้นชื่อว่าอยู่ด้วยความประมาทหนอพระผู้มีพระภาคตรัสว่านันทิยะบุคคลใดไม่มีองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการโดยประการทั้งปวงเราเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นผู้เหินห่างตั้งอยู่ในฝ่ายปุถุชนอันหนึ่ง อริยสาวกเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทและอยู่ด้วยความไม่ประมาทโดยวิธีใดท่านจงฟังจงใส่ใจวิธีนั้นให้ดีเราจะกล่าวเจ้านันทิยะสากยะทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่านันทิยะอริยสาวกผู้อยู่ด้วยความประมาทเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้หนึ่ง ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นละถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้ า, เ ป, เ, จาเป็นพระผู้มีพระภาคอาริยสาวกพอใจด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้านั้นไม่พยายามให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อความสงัดในกลางวันเพื่อหลีกเร้นในกลางคืน เมื่ออรเรสาวกเป็นผู้ประมาทอยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีปราโมทเมื่อไม่มีปราโมทก็ไม่มีปีติเมื่อไม่มีปีติก็ไม่มีปัตสทิเมื่อไม่มีปัตสทิก็อยู่เป็นทุกข์จิตของผู้มีทุกข์ย่อมไม่ตั้งมั่นเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นทาทั้งหลายก็ไม่ปรากฏเพราะทาทั้งหลายไม่ปรากฏจึงนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทโดยแท้สอง ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมและถึงสามประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์สี่ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดและถึงเป็นไปเพื่อสมาธิอริยสาวกพอใจด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจนั้นไม่พยายามให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อความสงดในกลางวันเพื่อหลีกเร้นในกลางคืน เมื่ออริยสาวกเป็นผู้ประมาทอยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีปราโมทเมื่อไม่มีปราโมทก็ไม่มีปีติเมื่อไม่มีปีติก็ไม่มีปัสสติเมื่อไม่มีปัสสติก็อยู่เป็นทุกข์จิตของผู้มีทุกข์ย่อมไม่ตั้งมั่นเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นทำทั้งหลายก็ไม่ปรากฏเพราะทำทั้งหลายไม่ปรากฏจึงนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทโดยแท้นันทิยะ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 อริยสาวกไม่พอใจด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้านั้นพยายามให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อความส ง, งัดในกลางวันเพื่อหลีกเร้นในกลางคืนเมื่ออริยสาวกเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่อย่างนี้ปราโมทย่อมเกิดเมื่อปราโมทมเกิดแล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมระงับผู้มีกายระงับย่อมเสวยสุขจิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมั่น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 อริยสาวกไม่พอใจด้วยศีลที่พระอริยชอบใจพยายามให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อความสงัดในกลางวันเพื่อหลีกเร้นในกลางคืนเมื่ออริยสาวกเป็นผู้มีประมาทยอยู่อย่างนี้ปราโมทย่อมเกิดเมื่อปราโมทมเกิดแล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมระงับผู้มีกายระงับย่อมเสวยสุขจิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมั่น เมื่อจิตตั้งมั่นทำทั้งหลายก็ปรากฏเพราะทำทั้งหลายปรากฏจึงนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทโดยแท้นันทิยะอริยสาวกผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นอย่างนี้แลนันทิยะสักขสูตรที่สิบจบปุญญาพิสันทวักที่สจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งปฐมมะปุญญาพิสันทสูตร สทุติยปุญญาพิสันทสูตร 3. ตติยปุญญาพิสันทสูตร 4. ปฐมมะเทวปทสูตร 5. ทุติยเทวปทสูตร 6. เทวชภาคาสูตร 7. มหานามสูตร 8. วัสสสูตร 9. ก, กาลิโคทสูตร 10. นันทิยาสกสูตร สักคาทกะปุญญาพิสันทวรกหมวดว่าด้วยห่วงบุญกุศลที่มีคถาปนหนึ่งปฐมมอภิสันทสูตรว่าด้วยห่วงบุญกุศลสูตรที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายห่วงบุญกุศลนำสุขมาให้สี่ประการนี้ห่วงบุญกุศลสี่ประการอะไรบ้างคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ หประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้พระเหตุนี้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นละถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคนี้เป็นห่วงบุญกุศลนำสุขมาให้ประการที่หนึ่งสงประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมละถึงส ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระสงฆ์ 4. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดและถึงเป็นไปเพื่อสมาธินี้เป็นห่วงบุญกุศลนำสุขมาให้ประการที่สห่วงบุญกุศลนำสุขมาให้สประการนี้การที่จะกําหนดประมาณบุญของอริยสาวกผู้ประกอบด้วยห่วงบุญกุศลสประการนี้ว่า ห่วงบุญกุศลมีประมาณเท่านี้นำสุขมาให้ดังนี้ไม่ใช่จะทำได้ง่ายแท้ที่จริงห่วงบุญกุศลนี้ย่อมถึงการนับว่าเป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยการที่จะกำหนดปริมาณของน้ำในมหาสมุทรว่าน้ำมีปริมาณเท่านี้อะหารละกะน้ำมีปริมาณเท่านี้อะระหะกะน้ำมีปริมาณเท่านี้ร้อยอรหะกะ น้ำมีปริมาณเท่านี้พันอะระหะกะหรือน้ำมีปริมาณเท่านี้แสนอะรหะกะดังนี้ไม่ใช่จะทําได้ง่ายแท้ที่จริงปริมาณของน้ําในมหาสมุทรนั้นย่อมถึงการนับว่าเป็นห่วงน้ําใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยแม้ฉันใดการที่จะกําหนดประมาณบุญของอริยสาวกผู้ประกอบด้วยห่วงบุญกุศลสี่ประการนี้ว่า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 ไหลาบาไปยังมหาสมุทรอันเป็นที่ขังน้ำขนาดใหญ่ประมาณไม่ได้มีสิ่งที่น่ากลัวมากเป็นแหล่งรัตนะชั้นเยี่ยมชั้นใดสายทานแห่งบุญย่อมลหลั่งไหลไปสู่นรชนผู้เป็นบัณฑิตผู้ให้ข้าวน้ำผ้าที่นอนที่นั่งและเครื่องปูลาดเปรียบเหมือนแม่น้ำคือห้วงน้ำไหลไปยังมหาสมุทรชั้นนั้นปฐมมอภิสันทสูตรที่หนึ่ง 2. อทุติยะอภิสันทสูตรว่าด้วยห่วงบุญกุศลสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายห่วงบุญกุศลนำสุขมาให้สี่ประการนี้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 นี้เป็นห่วงบุญกุศลนำสุขมาให้ประการที่สี่ห่วงบุญกุศลนำสุขมาให้สี่ประการนี้การที่จะกําหนดประมาณบุญของอริยสาวกผู้ประกอบด้วยห่วงบุญกุศลสี่ประการนี้ว่าห่วงบุญกุศลมีประมาณเท่านี้นำสุขมาให้ดังนี้ไม่ใช่จะทําได้ง่ายแท้ที่จริงห่วงบุญกุศลนี้ย่อมถึงการนับว่า เป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยแม่น้ำใหญ่เหล่านี้คือแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาแม่น้ำอจิราวดีแม่น้ำสรภูรแม่น้ำมหีย่อมไหลเรื่อยไปที่ปากน้ำใดการที่จะกาหนดปริมาณของน้ำที่ปากน้ำนั้นว่าน้ำมีปริมาณเท่านี้อลหะกะน้ำมีปริมาณเท่านี้ร้อยอลหะกะ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 คุ ต, ติยะอภิสันทสูตรที่สองจบ 3. ตติยะอภิสันทสูตรว่าด้วยห่วงบุญกุศลสูตรที่สภิกษุทั้งหลายห่วงบุญกุศลนำสุขมาให้สี่ประการนี้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 ได้ตรัสเวยากรณภพาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าผู้ใดต้องการบุญตั้งอยู่ในกุศลย่อมเจริญมรรคเพื่อบรรลุอมตะผู้นั้นบรรลุธรรมอันเป็นสาระยินดีในธรรมเป็นที่สิ้นไปย่อมไม่หวั่นไหวเมื่อมจุราชมาถึงตติยะอภิสันทสูตรที่สามจบ